หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายขันหลายตอนนับแต่ขั้นพื้นพื้นจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมหากถ้าเป็นร้านค้าของเป็นร้านสั่งสินค้าแต่สินค้ า, คาไม่มีอัดมีอมอานในการจำหน่ายต่อลูกค้า หาเลือกได้ตามความชอบใจผูมีคุณคุณชักมากน้อยเลือกชื่อได้ในข้างสรื่องสินค้านั้นเพราะมีพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นของเด็กจนกระทั้งสินค้าที่มี ถาอันสูงส่งช า, าธินารรมก็เป็นเช่ น, นั่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แปลว่ า, วานักบวชที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองมีอย่างพร้อมหมุนแล้วในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทำจริง เป็นหลักปกครองโลกได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ต้องติดนับแต่เด็กขึ้นไปถึงผู้ใหญ่นับแต่รายบุคคลไปถึงส่วนรวมและทั่วโลกบินแดนชาตต่างคนต่างมีความสนใจดังที่มีความมุ่งหวังความสุขความเจริ อยู่แล้วนั้นธรรมะจะเป็นเครื่องสนองความต้องการของคนให้สมความมุ่งหมายโดยไม่ต้องสงสัยโลกที่หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่างซึ่งเป็นค่าสิทธิ์กับรามนี้เข้าย่มดีดีแหลกภายในจิตใจของแั่โลกเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความโลภมาก เป็นภัยมากความโกรธมากเป็นภัยมากความหยงมากเป็นภัยมากต่อตอนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยยิ่งเป็นผู้เยียมนาคราชสัจมากเพียงไรนำข้าศิกทั้งสามอย่างนี้ออกท้ายได้แล้วโลกนี้ย่อมเป็นโลกบรรลัยได้โดยไม่ต้องสงสัย มีเวลานี้มีแต่สิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อความสมบูสุขของบ้านเมืองออกทำหน้าที่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าสถานที่ใดร้อมกันไปหมดทั่วโลกดินแบนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดไ ด, ได้รับความเลื่มเลื่น แม้จะสามารถทําโลกให้ร่มเย็นได้ด้วยสิ่งเหลนี้อย่างไรได้โลกจําต้องยอมรับกันในเรื่องความทุกข์ความลำบากค่อนข้างที่มีความรู้แต่ความรู้นั้นกลายเป็นเครื่องไปเป็นเครื่องมือของสิ่งที่เป็นค่าสิทต่อความสงอบสุขของโลกเสียแล้วเหนืการส่งเสริมสิ่งที่เป็นค่าสิท ขึ้นมาภายในตัวและสังคมโทั่วไปจึงเป็นเหมือนกับการส่งเสริมไฟให้ลุกลามใหญ่โตมากขึ้นดยรำดับจนหาขอบเขตหาประมาณไม่ได้ยังฝืนให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่เห็นโทษของมันว่าเป็น้าสิตต่อความสงบสุขของโลกอยู่แล้วโลกย่อมจะบนไลเพราะสิ่งนี้นโดยไม่ต้องสงสัย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 ฐานะใดไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่ามีอำนาจกว่าทุกอย่างเมื่อสิ่งนี้บ่งการลงไปแล้วย่อมเป็นไปตามความบ่งการของสิ่งนี้โดยหาขอบทัดค้านตางทางไม่ได้เพราะความรู้ความฉลดัดสิ่งนี้เหนือกว่าอยู่แล้ว <c oughs> ย่นเข้ามา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 จนกระทั่งถึงตัวเราโลกไม่สามารถที่จะปกครองตนปกครองกันได้ด้วยความเป็นธรรมแต่เราต้องให้ยาบให้ผิดแปลกจากโลกที่เขาไม่สามารถกลายเป็นผู้สามารถขึ้นมาปกครองตนด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือ น, นักบวชเตินผู้พร้อมแล้วในการปฏิบัติธรรม ทุกอาการที่เคลื่อนไหวไปมาและทุกียาบททุกสถานที่เป็นสถานที่อียาบทที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว <c oughs> วันหนึ่งคืนหนึ่งเจตนาของเราเองก็สราบทัดภายในตัวหาเรามีความมุ่งหวังต่อสิ่งใดเราจะเนมน ยอมตนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็มุ่งต่อความสงบสุขภายในจิตใจมุ่งอัดมุ่งทำทำนั้นให้ความร่มเย็นแก่เรามากน้อยตามกําลังที่เราปฏิบัติธรรมั้นท่านนั้นได้หรือข้อนั้ น, น, นได้การบวชเป็นการประกาศเทศของตนให้โลกทราบทั่ ว, วไปว่าเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะเป็นคนดี ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นของดีให้ดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลอร์เป็นบุคคลดีเลิรเป็นพระดีเลิศภายในตนโดยไม่ต้องอาศัยผู้หนึ่งผู้ใดามาเสริสริมตั้นย่อข้อตา่าเป็นความดีและเป็นความดีเลิศอร่ด้วยการกระทำของตนนี่เราทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงนำความที่ตนทราบภายใน จ, จิตใจ ไี่อยู่แล้วออกแสดงออกทำหน้าที่ให้เป็นไม่เป็นหน่อยข้องตกย่าได้ลดละท้อถอยงามความดีอันจะพึงได้จากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าทำทุกข้อทุกขั้นทุกภูมิไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าจะนำผู้ปฏิบัติตามธรรมนี้ให้ตกทุกไดียกลำบากเข็นใจหรือตกในลกหมกใหม่ รับความทุกข์ทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติทาพาให้โรคจบไม่มีข้อสงสัยเลยครับแม่นิดนเพราะเป็นส่วนขาตธรรมจัดไม่ชอบทุกแ น, นทุกมุมแล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระองค์นำมาสั่งสอนลโลกทรงค้นดูทิ้งหกพระพรนรสามาทดสอบกับพระไทย คือโรคซึ่งมีอยู่ภายในนั้นแก้ไขกันโดยลำดับกำดาจนเป็นที่ได้ยนได้ผลเป็นที่แนบแนไถสุดส่วนแล้วจึงนำทานั้นออกมาสั่งสอนโลกทานั้นจึงกลายจึงเรียกว่าสวดภฐฐาะธรรมจัดไว้ชอบแล้วไม่มีข้อขัดแยง้งและเป็นนิยาม น, นิกระทั <c> ่ง <oughs> นำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งปิดขวางปิดบังสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกได้โดยลำดับตามกำลังความสามารถของตนมี่ธรรมมีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพระองค์ทรงรับรองยืนยันแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในคุณภาพแห่งธรรมตั้งหลายที่นำมาตระกาศสอนโลกนี้ว่าไม่เป็นอื่นนอกเหนือจากเป็นธรรมด้วน เป็นของกระเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกไหนๆโดย่านเดียวเท่านั้นเราจรึงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความล่มจมเพราะการทุ่มเทกำลังความสามารถลงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการต่อสู้กิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยหรือเป็นข้าศึกอยู่ภ า, ายในจิตใจมานาน ด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงตำราปราบรามเพราะทำเป็นที่รับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายถ้าเป็นยาก็เรียก ว, วา่าเลยทดลองมาเต็มที่แล้วเห็นผลเป็นที่พอใจก็จับใจเลยจึงนำมารักษาโรคแต่ละประเภทต่อไปโรค เมื่อต้านทานยาชนิดนี้หมอต้องในคิดแปลงเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงหา ย, ยาขนาดใหม่มาแก้จนกระทั่งโรคไม่สามารถจะต้านทานยาได้แล้วคนไข้ก็หายจากโรคโรคภานยนจิตย่อมมีการต้านทานยาคือทำเหมือนกันถ้าเราทาด้วยอุบายนี้เป็นความชินชาต่อแสดงว่ากิเลตนั้น มีความต้านทานทําต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงอุบาวิธีต่างๆจนสามารถระงับดับที่เละประเภทนั้นๆลงได้ด้วยวิธีการนั้นๆเช่นเดียวกับหมอปริ้แปงเปลี่ยนแปลงหายาแผนนันใหม่มาแก้โรคที่ท่านทานยาจนหายไปได้อุบาวิธีต่อพติปฏิบัติตนจึงขึ้นอยู่กับความฉลาดแหลมคมของผู้จะปราบที่เละ ต, ตัวฉลาด ยอมไปพบเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแก้กันไม่ลงแก้กันไม่ตกต้องไยใช้อุบายเสมอยาติติดความสุขความสบายอันเป็นนิสัยวิเลนอนเนื่องของกิเลสฝังอยู่อย่างลึกลับเราไม่อาจทราบได้ว่าความนอนใจหรือความสบายอันนี้ว่าเป็นไผ่ต่อเราเอง <c oughs> เราเห็นว่าความทุกข์เพราะการประกอบความภาพเพียนเพื่อจะแ ก, ก้สิเด็ดเหล่านี้ว่าเป็นภยัยคืออยงนั้นก็หาทางรอดไปไม่ได้เพราะขัดจากความมุ่งหมายของธรรมว่าวยิ่งเยือนนั้นดุขธรรมเจติคนจะุดพ้นจากทุกข์ไได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรในระหว่างการประกอบความเพียรอยู่นั้นความทุกข์ก็สร้องเป็นไปตามกันเป็นตียวเดียว ก, กันกับเชือกเหมือนเชือกนั่นเองจะไม่ได้รับทุกข์ได้อย่างไร ผูมุ่งกาต่อทำย่อมไม่คำนึงถึงความทุกข์ที่เป็นไปด้วยการประกอบความภาคเกียรยิ่งกว่าการเห็นภัยของพิเลตซึ่งเป็นฆาตศิกอันหนหลวงภานจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะควรคำนึงสาหรับผู้ปฏิบัติเจาเขาเขาร่ำเรียนใน อหาหาวิทยาลัยหรืโรงเรียนโรงร่นโรงเรียนต่างๆได้ความรู้วิชาออกมาแจกแบ่งกระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกผลกระจายเป็นผู้มีความรู้ทั่วๆไปเพราะความรู้ที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือหาวิทยหลัยนั้นๆเราเป็นผู้มาศึกษาอัดคำจากครูจากอาจารย์ในสำนักต่างๆก็เพียงเดียวกับเข้าศึกษาเรียนหาความรู้วิชาจากโรงเรียนต่างๆของเด็กนั่นแหละของคนทั้งหลายนั่นแหละ เขาได้ไ ป, ปพฤทปฏิบัติเขาได้ความรู้วิชาไปจแจกใจตลอดทั่วถึงเราทำไมแม้จะแจกเรายังไม่ได้มันไม่เร็วไปมากเหลือเราต้องคิดใน้อนี้วิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญซึ่งเรามุ่งสละคารวาสยเรือนชีวิตกิตใจสมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลก เห็นว่าเป็นของมีคุณค่าน่าทอบใจออกมาสู่ความเป็นพระเพื่ออัดเพื่อทซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่านั้นเป็นไรหนาทาไมเราจะไม่มีกําลังใจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติทําไมเราจะฝ่าฝืนความทุกข์ความยากความลำบากด้วยความภาคภูมอย่างนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเช่นไรก็เป็นคนเหมือนกันกันกบเราสาวกเป็นคนเช่นเดียวกับเราท่านผู้พังไปแล้ว ไม่มีภัยมีเวรให้มีทุกข์ทั้งหลายติดตัวติดองค์ท่านไปเลยท่านก็เคยผ่านทุกมาแล้วด้วยความเพียรเช่นเดียวกันเหื่อได้เราจะผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปกับความเพียรไม่ได้ทําไมเราจะเฉลิมขนมกับความทุกข์นี้เพื่อความเพียรไปไม่ได้ทําไมเราจะเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นพิษภัยต่อเรายิ่งกว่าพิเลศเป็นภัยต่อเราเราต้องย้อนหน้าย้อนหลังคิพิจารณาผู้ปฏิบัติเพื่อแก้พิเลศต้อง แต่ต้องซ้อนอุบายวิธีรำต่างๆเพื่อจะปลดเครื่องตนให้หลุดพ้นจากทิเลตไปได้โดยลําดับจึงจากว่าเป็นผู้หาความรู้ความฉลาดจากครูจากอาจารย์จากอัจฉรทาํารรมในหการปลดเครปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งอุบายวิธีให้ต่างๆให้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆเรา อ, อย่าให้รอให้เสียและนั่งเวลาในขณะที่จะทําความสงอบแส่จิตใจด้วยสมถะธรรม ก็ห้เป็นความจริงความจังต่องานนั้นๆจริงอยาทำรอดเลยถือเป็นจิตเป็นการตึง น, นานอันเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีนานใดเข้ามาเจือปนไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาเจือปนมีแต่อารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมพิจารณ์ธรรมอยู่โดยจะเพราะในวงปัจจุบันนี้เท่านั้นเป็นอารมณ์ของจิตโลกเป็นเหมือนไม่หมือนนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ชำนาต่งาตงๆเพื่อความสงบใจด้วยธรรมสมถธรรมนั้นจริงๆ ผลก็เป็นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านที่เป็นคณาของพวกเรานั้นท่านได้ผ่านไปแล้วด้วยอุบายวิธีนี้จึงได้สอนพวกเราไว้ <c oughs> ในขณะที่จะพิจรารณาแยกเสียดูจะภาวัธรรมทั้งหลายนับแต่ขันทั้งห้าคือกองรูปได้แก่ร่างกายท้องหลับเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ธรรงญาทั้งขามเหญาณแต่ละอย่างอย่า ง, ง, งเราก็แยกแยกพิณิพิจารณาให้ประสับประสานกันเพื่อความแจ่งแจง้งชัดเจนภายในจิตใจโดยทางปัญญาความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วในขานจะไม่ประกาศจะไม่เปิดเผยขึ้นมาให้สติ ป, ปัญญาของเรารับทราบกันได้อย่างถึงใจได้อย่างไรพราเป็นสิ่งที่ ร, รับรันอยู่แล้วด้วยภาคปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของตนไม่ได้มีอะไรลี้ลับนอกจากพิเรตเป็นผู้ปิดบังจึงกลายเป็นของลี้ลับขึ้นมาเท่านั้นที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นนาตาเป็นอสุภะอรุปังเป็นของปฏิกูลโสภะเพราะพิเรตตัวเดียวเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังความจริงนี้ไว้เอาความจําปลอมเข้ามาเสดสรัญยอมาปิดตาปิดใจของเราเสียเราจะไม่หลงหุ่งงามต้มเที่ยงไปกลับมา แล้วเคยหลงมามากน้อยอย่างไรแล้วอุบามาวิธีเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องความจำปอมของจิตเดชที่มันปิดหูปิดตาจมูกเส้นกายของเราอยู่ทุกอย่าเวลามีแต่มันเป็นผู้เดินหน้าโดยแต่เดียวตาสัมผัสรูปจะเป็นรูปเคลืดด่นใดก็าตามมีแต่กิเลสเป็นผู้ทําการทํานเชื่อเองเสียงกระทบหูจะเป็นเสียงกระเคลืใดก็มีแต่กิเลสออกทํางานเชื้อเอง กนลดเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมผัสทางตาของสมูกยิ้มกายตลอดถึงใจของเราก็มีใจเรื่องของกิเลสเป็นผู้ทํางานก่อนหน้าเราใช่เองทําออกหน้าออกตาไม่นด้แสดงตัวไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบย่าธนาและอปิดบงังหุ้มห่อไว้หมดมเป็นเช่นนั้นความจริงจะเห็นได้ที่ไหนมันก็มีแต่ของปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมเป็นผู้ทําหน้าที่ของตนอยู่ผลหน้าหน้าก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสคือความรุอมร้อนพาใจิตใจอยู่โดยดีเพื่อเปิด ของจำป้อมนี่ออกด้วยหลักความจริงจึงต้องพิจิพิจารณาให้เห็นตามความจริงนั้นด้วยธรรมโดยความตั้งสติลงให้ดีในจุดที่ตนพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังหรือหลับเป็นของเปิดเผยจะด้วยความจริงที่ปิดบังก็คือกิเลสอย่างเดียวสติปัญญาก็เป็นความจริงประเภทที่จะต้องเปิดความจริงให้เห็นอย่างแท้จริงมีอยู่แล้วภายในจิตใจของผู้ ข้อการค้นคว้าการพิจารณาข้อสติปัญญาจะเกิดเฉพาะบุคคลที่ชอบให้ชวนพิจารณาแต่ไม่เกิดสำหรับคนที่เกลียดไม่ชอบคิดอ่านแต่ต้องอะไรเวลาจะพิจารณาทางด้านตันดาก็ให้พิจารณาอย่างที่กลา่าวนี้ร่างกายไม่ว่าร่างกายข้างนอกข้างในพิจารณาให้เป็นมั้งทางเดินของเพื่อความราบรื่นเพื่อความปวดเบื้องเป็นได้เหมือนกันหมด เพาะจิตติดได้ทั้งข้างนอกข้างในรักหน้ชาชังหน้าเสียดได้โกรธได้ทั้งภายนอกภายในเป็นจิเลรตได้ทั้งนั้นการพิจารณาเพื่อเจ้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นจึงพิจารณาพิจารณาได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีข้อขัดแย้งกันดังนั้นพระพุทธเจา้าท่านจึงสอน บรรดาสาวลูกทั้งหลายให้ไปเยี่ยมป่าช้าเพราะยังไม่สามารถมองเห็นต่าช้าซึ่งมีอยู่กับตัวของทุกคนทุกคนได้นในขณะที่เริ่มแรกการปฏิบัตินั้นจึงต้องทรงสั่งสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูทั้งตายเก่าตายใหม่ป่าช้าผิดิตเพราะสมัยก่อนไม่มีการเผาการสังเกตตาแล้วกระทิ้งเกลื่อนอตามป่าสามโลกเป็นแดนป่าช้าแล้วให้พระท่นานไปพิจารณากรรมฐาน ให้เห็นเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเพราะคนตายแล้วส่วนมากไม่น่าจะมีความกำหนัดยินดีไม่น่าเพิดเถอิื้นเดงพอจะให้เกิดความดึงเนื้อรุมตัวเพิ่มขึ้นเพราะการเยี่ยมป่าช้านั้นท่านจึงสอนให้เรเยี่ยมป่าช้าที่มีอยู่บ้างท่านก็สอนไว้ในการปฏิบัติต่อราตประสบประเภทนั้นเช่นผู้ตายใหม่่าดวนเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้พิจารณาที่ตายเก่าไปโดยดดดลําดับลำดากระก่อนที่เป็นอสุภอสุพังซึ่งเวลาพบแล้วเห็นแล้วใเกิดความโกรธสังเวชเบื่อหน่ายอันเป็นอัด เ, เป็นทำเพื่อปลดเครื่อ ง, องตนเอ ง, เองให้หายกังวลในสิ่งเหล่านี้ที่เคยรักเคยชอบมาเป็นเวลานาแไปโดยลําดับผอสอนให้พิจารณานี้ก่อนเมื่อสติปัญญามีกําลังพอที่จะกล้าเข้าพิจารณา อ, าอสุภอสุพังในชาตอสุก ที่ตายใหม่ก็ให้พี่เจรณาที่ตายไปเช่นเดียวกับตายเก่าเพราะเป็นสภาพเหมือนกันเป็นตะเพียงยังไม่แตกไม่แลายยังไม่เน่าไม่พองขึ้นเต็มตัวของมันไม่นขนาดนั้นเท่านั้นแต่มันก็ทํางานทั้งปันของมันไปด้วยความเน่าพองเปือ่อยแต่กระจายกระจายไปเช่นเดียวกับสภาพบทั้งหลายที่เป็นมาแล้วสอนให้พิ่เจรณาเพื่อให้เห็นจริงตรงนัน้นแล้วน้องเข้ามาสู่ตัวของเราเอง ซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้ปกติก็เป็นอยู่แล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโคโเหิยะนี่คือปัญญาพิจารณาภายนอกพิจารณาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีในทุดงข้อหนึ่งเหมือนกันว่าทุดงข้อเยี่ยมป่าช้าป่าช้านอกแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ป่าช้าในพอได้หลักได้เกณฑ์จากป่าช้าภายนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ภายในพิจารณาป่าช้าภายในนี้่เป็นอันมหาสงสัย ทั้งตาชานอป ต, ตาปาช้านอกทั้งต่าช้านัยนัยเปิดของจริงขึ้นมาหเห็นตามความจริงตามขั้นภูมิของมันไม่ตามสภาพของมันที่เป็นอยู่จน่ระทั่งถึงลงถึงธาตุธาตุเป็นกายเป็นธาตุสีนน่ินน้ำลมไฟไปเท่านั้นคําว่าอสุภาพังก็หมดไปอา น, นิจังทุกขังตาค่อยๆหมดไปโดยลําดับตามขั้นของจิตของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นคำว่าอานิจังทุกขังตาก็ละเอียดไปตามปัญญาตามขั้น ภูมิของสกิปัญญาที่พึงงานได้และกลายเป็นขั้นทำละเอียดเข้าไปโดยลำหนัดกๆจนกระทั่งถึงยิมุติจุดพ้นแล้วคําว่านิจังทุกของอาาังตตาก็หมดสัญหาไปเช่นเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสู่จุด ต, าต่างๆเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วทางก็หมดสัญหาไปในขณะที่ก้าวเข้าถึงสถานที่ตนต้องการจิตใจเมื่อก้าเข้ า, ขาสู่แดนแห่งความจุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วคําว่านิจังทุกของอาาังตตาซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความจุดพ้นก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้อง สลับต้องตับต้องทิ้งหากเป็นไปด้วยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเองเช่นเดียวกับเราเดินทางเข้ามาสู่จุดที่ต้องการนี้แล้วทางกับเราก็ไม่ต้องไปปลดไปเพื้อื่ึ่งกันกันหากบฎปัญหาขึ้นไปในตัวในตัวนั่นแหละในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเราอย่าเอาเว ล, เวลา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 การพอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเรื่องของกิเลสตักตันเสียดแดงหรือตีหวัวตะปูย้ําเอาไว้นั้นย่อมเป็นอิสระขึ้นมาโดยลําดับลําดับพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเป็นขั้นเป็นตอน <c oughs> จนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงความอยู่แต้อํานาจบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงของคนมันดีเมื่อไหรจะเป็นผู้ใดก็ตาม ถูกเขากดสี่บังคับทรมานทั้งการอยู่การกินการตายการมาการหลับการนอนนายาบททั้งสี่ตลอดสถานที่ต่างๆอยู่ใต้อำนาจอย่งความบังคับบัญชับความทรมานทั้งนั้นคนเราหาอิสระหาความสุขได้ที่ไหนเป็นอย่างเขาติดคุกติดตลาดเป็นคนที่เสียอิสระหมดอิสระแล้วคนธรรมดาทั่วๆไปจึงไม่มีใครต้องการดักเป็นคนคุกคนตลาด เพราะไม่อ ย, อยากอยู่ในความกดขี่บังคับพลมานจากผู้หนึ่งผู้ใดในจิตใจที่ถูกทิเดศอาสวะประเภทต่างๆกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทําไมเรากลับยินดี ท, ทั้งๆที่เราประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมมาทําเป็นของเลิกของปฏิเสธกว่าผู้เด็กเป็นดังนั้นเห็นได้เราจึงกลับยินดีในเรื่องของทิเดศมากยิ่งกว่าเรื่องของธรรมถ้ามัา น, นใช่ถูกกล่อมจากทิเดศอย่ากแนบเนียนอย่างละเอียดจะออกอ่อน อ, อิงแล้วจะเป็นอย่างไร ต้องเป็นเพราะเพลงของจุลิต์มันหอมหวนชวนให้ชมไม่ชวนให้ดูดให้ดื่มไม่มีวันอิ่มพอนั่นแหละสามโลกทั้งหลายจึงติดกันได้นีเรามีเครื่องมือพิสูจน์ได้แก่อัตธรรมแล้วควรจะนำมาพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละ ว, วิธีการที่จะพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงให้เห็นเป็นความจาริงความจริงขึ้นมาระหว่างทำกับจุลิต์ต่างกันอย่างไรถ้าพูดถึงโทษกับคุณต่างกันอย่างไรพูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลวร้าย ระหว่างทางขับพิเดตตามกันอย่างไรจะทาาระทาบภายในติดของเราภายในขันของเรานี้ภายในวงของผู้ปฏิบัติองค์ของเราตัวของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละผู้มาปฏิบัติจะไม่มีทางทรามได้สาริดีโกโมอบให้เป็นสิทธิของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองระหว่างพิเดตกับธรรมที่กําลังต่อสู้กันเวลานี้เป็นอย่างไรเรามีคณะตรงไหนมากหรือมีแต่ความแพ้อย่างลาบอย่างลาบตลอดเวลาก็ไม่พ้นที่จะถูกกดขี่บังคับจากพิเดตตลอดไปเช่นเดียวกัน เป็นของดีแล้วเลยต้องคิดเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีสั่งสอนตนต้องคิดแพงเปลี่ยนแปงหลายตลบทบถวนร้อยสามพันคมจึงจะทันกับปัญญาของยุหลิ่นี่ขนาดที่พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จรงอย่างนี้แล้วปัญญานั่นแหละที่จะพาให้จิตสงบเข้ามาอย่างไม่มีเยื่อใยกับสิ่นใดตัดขาดไปด้วยเมื่อพิจารณาชัดเห็นทัดเจนแล้ว ก็ตัดถาดกระสินนั้นเป็นลําดับลำดับแม้จะยังไม่ขาดสะบั้นลงหมดลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็ตามแต่ก็ไมาพ้นจากความเพียรที่พยายามจากสติปัญญาที่พยา ย, ยามพิจารณาเยอะแยะให้เห็นเป็นรักเป็นตอนขาดกันกระสินนักเป็นตอนไปได้ธรรมที่ดังกรารไวา้ไม่ใช่าการแบบโมฆะมีแต่ชื่อแต่เสียงมีแต่ตัวหนังสือ แต่มีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มคำอยู่ในาศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้ไม่มีบกพร่องเลยความบกพร่องมันจึงอยู่ที่เราพูดนับถือศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามหลักาศาสนธรรมอย่างแท้จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลที่ท่านเคยได้เคยเห็นประกาศสอนพวกเราไว้แล้วนั้นจะมารวมอยู่ที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องสงสัยเพราะไม่มีถาชนะใด สิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตจัดยิ่งกว่าใจดวงจะคอยรับทราบรับรู้รับผนกับธรรมทั้งหลายและเป็นถานที่หรือเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิใจจะรวมอยู่ที่ใจนังธรรมทั้งกาวไว้ว่ามโนปุธังธมาธรรมามโนสิทธามโนมัญญาธรรมทั้งหลายสําเร็จแล้วด้วยใจอยู่ที่ใจดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบ ใจเป็นผูส้สัมผัสสัมผัสใจเป็นผู้รับสวยทั้งสายดีฝ่ายชั่วอยู่ที่ใจท่านสอนว่าอย่างนั้นเมื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงไปโดยลําดับแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าใจไม่เป็นไม่เป็นผู้รับอาจรับทานทางหลายแต่กลายเป็นสิ่งอื่นนะครับอาจรับทานแทนอย่างนี้ <c oughs> ต้องเป็นใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือสําหรับประพฤติปฏิบัติธรรม จะยางผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาสู่ใจอยู่เดียวจิตเป็นสำคัญอย่าทอถอยยาอ่อนแออยาปินาละอาใจต่อการตั้งจิต ถ้ามาอินนาละอาตอใจต่อมาผลนิพพานต่อความสุขทันประเสริฐเลิศกว่าโลกทั้งหลายแล้วอยากอินนาละอาใจต่อการตั้งสติการพิจารณาด้วยปัญญาและต่อความเพียรทุกด้านทุกแง่ทุกมุให้มีความตั้งตัวเสมอเพราะเราเป็นนักต่อสู้เราเข้าสู่แนวรบ ก, ก่บยีเดศแล้วเวลาคลามพอแท้อ่อนแอเป็นเรื่องของยีเดศทั้งหมด ทำงานอยู่บนหัวใจเราจึงไม่ควรให้มันมาแย่งชิงเอาจิต ด, ดวงเลิอดดวงกระเสิฐนี้ไปขยี้ขยำให้แหลกให้เหลือดังที่เคยเป็นมาแต่สมัยที่เรายังไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับาาศาสนธรรมและไม่เคยปฏิบัติเวลานี้เราได้ออกปฏิบัติแล้วเราให้กินให้จรกต่อการปฏิบัติของตนครก็ยอมรับ พระพุทธเจ้าก็ทุกมาพอแล้วสาวกก็ทุกมาพอแล้วประกาศทั้งทุกข์ทั้งสุขให้พวกเราได้เห็นในตำหักตำาลาครูอาจารย์องค์ไหนที่ว่าเป็นที่นับถือเคารพเชื่สายของประชาชนทั้งหลายองค์ไหนเขาองค์นั้นอยากพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีองค์ที่ล้างมือคอยเปิดเลยนอกจากเป็นผู้เดินตายมาแล้วจึงได้เห็นธรรมอนเุธรรมทศเสดิฐมาสอนพวกเราแล้วจะให้ท่าน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 ยิ่งกว่าในเรื่องพระเมตตาของสารสันโดษจะต้องหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุดให้จัดโลกไเรปฏิบัติและหลุดพ้นไปจากทุกข์อย่างรวดเร็วแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ยิงเห็นว่าเหมาะสมเฉพาะมัคคิมาปฏิปทานนี้เท่านั้นยากลําบากก็อยู่ในความเหมาะสมกับธรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่ออกหน้าออกตาที่จะปราบปรามทิเดททั้งหลายให้ ขี้นซาบก็ได้ไม่มีทําใดเนื้อนอกเหนื้อไปจากมัชฌิมาปฏิปทานนี้เลยนี่ท่านที่ได้ประกาศทำนี่จะไว้ให้พวกเราทั้งหลายมัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลยสรุปลงหน้าคือสีสมาธิปัญญาสีเราก็ได้รักษาอยู่แล้วโดยปกติไม่มีความม่ายราคาในสีว่าดางเพราะโดยสรุปขาดไปที่ไหนหน้าที่ที่ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขยี้ขยันจิตใจให้ขุนมัว มั่วสุ่มกับมันอยู่ตลอดเวลาจึงหาความสว่างกระจ่างแจ้งหรือหาความสงบร่มเย็นไม่มีไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วแต่าทาวิธีใดจะทําให้จิตใจมีความสงบสงศ์ได้เราก็ต้องพยายามเอาวิธีนั้นมาช้ายากลำ บ, บากก็ต้องสู้ต้องถังสัญญาจะไม่เฉลียวฉาดก็พยายามทําพยายามคิดคิดพิจารณาถ้าจะทำหรือรู ป, ปรขันเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขั น, ข น, ข น, ขน อย่างนี้แหละเป็นหินลับของปัญญาให้คมกล้าเป็น ท, ท่นาพิจารณาสิ่งอย่างนี้ต้องเป็นหินลับปัญญาได้เป็นอย่างยิง่งทุก็เป็นหินลับปัญญาสมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหนปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปทําลายลงไปได้อุบายไปเรื่อยมีความสลัดแล้วพมเข้าไปเรื่อยเลยเรียกว่าสมุทัยเป็นหินลับปัญญาก็ได้เพราะคนมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแต่และอย่างและอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะให้ปัญญา เดฟิตตัวเองให้ขนาดแหลนผมยิ่งกว่ามันเข้าไปโดยลําดับกันหน่อยมันมาไม้นี้ก็สู้ไม้นี้มาไม้นั้นสู้สู้ไม้นั้นสู้เรื่อยมาหลายเหลี่ยมหลายคมหลายสานได้ผมก็สู้กันแบบนั้นนั่นก็ทันกันอัญญาไม่ได้คมก้าพราะกันอยู่เฉยๆไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการอยู่เฉยแต่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาและคมก้าด้วยการพิจารณาย้อนหนา้าย้อนหลังหลายตลบทบทวน เกิดขึ้นเพราะผู้ชอบจิตแล้วบำรุงสติปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอยอมมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเห น, นือลดับสุดท้ายที่เด็ด ก, ก็อ่อนลงไปอ่อนลงไ ป, นไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลนั่นแหละทีนี่เรียกว่าอิสร ะ, ะเสรีเต็มที่แล้วจิตไม่มีอะไรกดทั่วเลยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตอน ไม่มีสมมุติแม้แง่ใดก็ไปขัดไปแย่งไปจิตไปขวางจะให้เป็นจิตที่มีความกกสุขเกษมเป็นที่ได้อย่างไรจริตที่อยู่ใต้ความกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับอยู่ในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแเองแม้แต่นอนก็ยังต้องถูกบังคับจะหาความสุขที่ไหนจากความเป็นนักโทษนั้น จิตที่กําลังเป็นนักโทษเพราะอำนาจแห่งกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความสบายที่ไหนความสงบเริ่มเย็นบ้างก็ไม่มีเพราะกิเลสไม่ให้สงบมันกวนตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดทีพอมีที่จะปบเครื่องกิเลสกิเลสก็ไม่ให้มีเกียมันปิดขั้นไว้หมดไม่ให้คิดไม่ใอ่านใจตรองอะไรได้พอเป็นเหตุเป็นผลที่จะแก้หรืดับตราบตามกิเลสได้แล้จะหาความสุขความสบายความบุกพ้นความเป็นอิสระได้อย่างไร เระฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องค้นคว้าจึงต้องพินิพิกนาจึงต้องฝืนการต่อสู้กันต้องฝืนไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยเฉยเดียกว่าต่อสู้ไงการทําหน้าที่ต่อสู้กันนั้นต้องฝืนทั้งนั้นแ่ะละมาก็ฝืนทุกก็ฝืนขัดข้องขนาดไหนก็ฝืนง่อก็ฝืนความง่อให้เป็นความฉลาดแก้ความง่ลงด้วยความฝืนมันก็ฉลาดสุดท้ายก็ไม่พ้นความพยายามแต่ได้ยังขอให้ทุกๆท่าน นำไปเพื่อปฏิบัติเห็นที่กันวัดแดนแห่งความกเกษมอยู่ที่ไหนแล้วอ่านมามะพอตามตํำรับตำราสมาธิก็อาก่านแคจนน้ําลายก็ไมมีในปากละปัญญาก็อ่านแค่พอยมุดหลุดพ้นก็อ่านก็เห็นแต่ตัวหนังสือคนเขียนเป็นตัวเป็นตัวออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆของมรรคผลนิพพานแต่กิเลสจริงๆ ไม่ว่าประเภทไหนไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อสมาธิปัญญามะขุนนิพพานก็ไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีเมยอยู่ที่ใจของเราท่านสอนให้ย้อนเข้ามาดูที่ใจเขียนไม่ใช่ตำราก็สอนเข้ามาที่นี่กิเลสอยู่ที่นี่บาปทำอยู่ที่นี่ศีลอยู่ที่นี่สมาธิอยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่กิเลสทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจนี้ มักทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจ ป, ปลาปรามกิเลส ก, ก็ปรากกลางกันอยู่ที่หัวใจกิเลสมอบราดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วความบุญพ้นก็คือใจดวงนี้แหละี่สรุปแล้วดงอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นที่ใดขอให้พากันลงใจในการคืนปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานมาอยู่ที่นั่นี่มีนั่นเลี้ยวไหลจะคลุกเนา่าหาความกินไม่ได้จะเลี้ยวไหลตนอดไปการแสดงก็เสร็จสมควรนะเห็นแนี้ พูดนี้น้ำตาเนี่ยมัแปลกนะไม่ใช่เราก็ไม่เคยคิดว่าน้ำตาเรามันจะพังในขนาดที่นี่โอ้โหนี่ฉลองสังเวย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าทีว่าน้ำตาล่วงนั่ันธุเนลวงนั่นหละคือน้ำตานี่เป็นสมมติ้าตุนเป็นสมมติแต่เพราะอาศัยจิตความรู้สึกของจิตนักนก็ตกก็แดง อ, อมา เห็นอย่างพ้าคนต้องหลายร้องห่มร้องไห้เวลาคนนั้นคนนี้ตายถ้าชาวว่าพระทหารท่านตรงธรรมสังเวชน่ะท่านเป็นน้ําตา ล, ล่วงออกมาเนียนที่กระตุกนั่นจะแต่ท่านเป็นพระธรรมสังเวชเพราะไม่ได้กระเทือนจิตของท่านให้เกิดความเสียอกเสียใจเหมือนอย่างโรคทั่วไปนมันตายตรงธรรมสังเวชขึ้นมาท่านกินข้ชื่อน้ําตาของพระรหารนั้นแบบ เป็นธรรมาสองเรือีก่งหนึ่งนั้นพระนรร่วงเน่ยฟูขนาดที่ผระพาที่จ้าแตะรูดิแลกนั่นแหละเรื่องทางเรื่งขันก็ต้องเป็นไปเหมือนโลกแต่ความรู้สึกนั่นต่างกันเรื่องพระเนตรบูชาต้นโพท่้งเจ็บวนันล้วยอมรับหมดมาเห็นคุณค่าไปหมดอย่างนหลวงปู่ ข, ขาแล้วเอเวลาจะกลับมา จิตะได้นี้จากเงานนั้นมาแล้วมันหันหลังกลับพื้นอีกนะหันหน้ากลับพื้นมาดูสถานที่อยู่แล้วดูประชานชนที่เขาให้จับใจเครื่องสนับสนุนทีวิตจิตใจให้เป็นไปในทางความเพียรและชีวิตจิตใจตลอดมาเห็นคุณภาพเป็นหมดทั้งวัเพราะท่นนะ า, า, า, งงไทาทน ไ, ไม่มีอะไรมาจีดมาขวาง้วก็ตรงลงไปทําหลักความเพียรไปเลยไม่มีอะไรมาจีดมาขวางเนี่ย อันนัก็เป็นเหมือนกันเวลามันไในทิศแผ่นดินโลกกระถาสมมุตินี่ออกจากใจแล้วมันโอ้โหไม่มีครั้งใดสมัยใดเหมือนเลยมันคงมีเท่านั้นในชีวิตนี้ปึ๋งเทียกระนั้นโอ้โหทำที่ไหนไม่ทำท่ไห น, น, น แบบกดสภายบาทรเป็นเขาลูนั่นตรงนี้ปฏิบัติทำทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนความมืดมันอยู่ที่ไหนความปิบังมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มันอยู่ที่ใจเวลามาเจอเป็นจังๆที่ใจเสร็จแล้วมันก็ไปเห็นโทษในสิ่ที่ควรเห็นเห็คุณค่าในสิ่งที่ควรนอย่างถึงใจเหมือนกัน <c oughs> น้ำตาลล่วงมพูดทังตัว นมันน้าม้นเพียงมาโดยลำดับลำดับมาถึงทิ้งมาถึงดินแล้วควรจะกล้ามไม่กล้ามมันถูกวิชาอ้อยเอาไวอ้อยอิ่งเลยโธโอ้ยแหมวิชาเป็นอย่างนี้จะเหลือเลยอืมเรื่องนี้เรียกว่าวิชาเพลินตความขางหาพาเพลความแปลกประหลาดอาจารย์อาจารวิชาเวลานั้นออกไปมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามันไม่เหมือนนั่นที่หน ถ้าเป็นโลกกับคนแล้วโลกฟักโลกที่ไหนจะมันต่างกายการใจกันมันเทวิตอีกสิ่งที่ว่าอาตจา น, นอยอีกมันก็เป็นเหมือนกองที่ควาเราดีดีน่ะโอมั น, น, น, นวิช า, ามันใยญ่ถึงขนาดนี้เท่านาโอ้โหหรือว่าท่ามวิชานอว่าเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแบบเราไปเจอตัววิชาจริงโอยตัวกล่องเนี้ยอเออเรียกว่านางบางเงานางงามจั ก, กรวาลมันปิดมันพัน ลืมเนื้อดุลตัวเพลินอยู่กับจิต ป, ประเภทนั้นนั่นเห็นไหมขนาดความว่าสมมุติกับวิวัต่ากันขนาดไหนพอมันผ่านกันออกไปแล้วก็นนั้นจริงๆก็มาเห็นพื่อกันเหมือนกับคนนั้กคนนั้นมันก็นระกกับแดนสวรรค์ผู้หนึ่นงอ่อยู่ีไม่ทำควบคุม มันไม่ได้ไปอยู่ในมันอ่ีมันบีบขนหัวใจมันบีบขั้นขหัวใจพอเอานี่ออกแล้วนี่มีค่ข้อนาลัยอีกหน่อีกอีกนี่ีอยู่ที่จิตอย่างเงาปลเป้มีอะไรมาจีดมาคว้างมายุ่ยแย่ก่อความ่างจะขี้เหร่อย่างเดียวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมเท่นั้นเือนี่แล้มุกค่ค้านก็มีภูมนแนะนสอง แนคทางที่ถูกที่ดีอยู่แล้วมันก็น่าภูมใจอยู่น่าคูณปฏติและแบบสุ่สี่สุมห้าไม่ได้หน้านหลังถ้าพูดแนะนำสอนก็มียี่มาลำบากอาใารใส่โบสแม่หัวาจฟนะัดจนเหนียวทั้งๆคร้าลงจนขี่แล้วฟว้าลงจนเหนียวมันไะม่กล้าพูดว่าไม่งานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานฆ่าเ่เลยงานฆ่าเ่เลยจะเป็นงานที่หนักมากในชีวิต งานที่เราเคยผ่านมามากน้อยจะหนักยังไยไม่ได้เห็นขนาดเป็นสลับตายกันวะแต่งานค่าที่ลดูไม่รู้กี่ครั้งที่มันเป็นเพื่อนสละบเพื่ทําเป็นกระตายสลับดีถึงเป็นเพื่อนก็มีนะถึงวะแล้วเอานะเนี่ยเนี่ยเรียกว่าปล่อยละทีิ้งไม่ตายก็รู้ไม่รู้ตายเท่านั้นเรียกว่านี่เป็นสลับเป็นทักทักกันงานนี้จะถึงขนาดนั้นงานอื่นเราไม่เคยได้สลับเป็นสลับตายกันมันวะงานทังโลกที่เคยปฏิทํามา แังานต่อสู้ีิเลสที่ได้ขนาดอานั้นจริงๆทุกขา ม, มันที่สุดอีนนกคุ้มค่าในตําหน่ช ม, มด้วยซ้ําชมเรื่อ ง, องความศึกษาพยายามความบึกบึง้งในการปฏิบัติมาขัา้นตนภูมิใจเพราะอย่งทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่ตายทําได้นง เป็นคนลบคนเป็นคนนั้นโลกอีกและ้วเล่าคนนี้กับคนคนนั้นน่ะกับเล่าคนนั้นน่ะพูดถึงกําลังใจมันก็ไม่มีความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีพุ่ตกงตงเนี่ยมุ่งมั่นความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีกําลังใจก็ไม่มีกําลังวังชาของส่วนร่างกายมันก็ไม่มีแล้วจะอะไรมาให้เป็นตั้งอย่างนั้นมันตายว่ะนั่นมันกำลังใจมันพุ่งพุ่ม เดินไปสั้นเจอเจใจมันจะ่อเหินเดินฟ้านึออ่งความชีวิรองการมันหมดกําลังของมันแตพราะ ก, การอดการทุดข์ทรมานนั่นแหละ อ, อ, อะแต่กําลังของจิตมันดิบผึงถึงมันคนละโลกอีกแหละกําลังของกายเป็นหนึ่งกําลังของจิตเป็นอีกอย่างนึงเพราะนั้มันถูกพอกับเผาอย่างกันเพราะความมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นนั่นนี่มันหนักมีกําลังมากชีวิตจิตใจก็ไปรวมอยู่ที่ความมุ่งมั่นนี้หมด มีคุณข่าเฉพาะความมุ่งมั่นที่จะให้หลุนทนคุณข้าของชีวิตเลยทุ่มปัญหาของนั้นหมดเลยทุกอย่างนันไม่ได้เว้ยมงโง่พูดแฉนงโง่ความมุ่งมั่นก็ไม่มีไม่กล้าจะมุงมไไม่งมั่นไปไหนอยู่นี่แ้แต่ว่าเสิร์ฟกัเสิร์ฟสุดเสิรแล้วมุ่งมั่นไปไหนอยู่เฉยแม้แต่เรื่องเป็นเรื่องการมันเคยไม่เห็นมาเป็นกังวลไม่มาทิดอ้ง มันอู่กอยู่ก็รู้ก็อยู่นี้จะไปหาที่ไหนเน่ยเป็นก็รู้ว่าอยู่นี้เวลาตาตาก็คืออันนี้มันกระแสก็รู้อยู่นี้ก็จะทิจนาอยู่แล้วเนี่ยมันรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะสงสัยอะไรหน้าตาจะไปเกิดที่ไหนเวลานี้เป็นยังไงล่ะเนี่ยจิตเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะได้เกิดที่ไหนไมเกิดที่ไหนก็รู้อยู่ชาติดียสงสัยอะไรอีกเนี่ยมีทั้งว่าปัจจตังปัจจตังหรือว่าที่ตะโกนตะโกนประกาศดูธรรมหลักธรรมชาติของตนไม่ใช่ว่าจะมาประกาศครั้งหนึ่งครั้รมชาติ นรู่แล้วก็เป็นจันิโกรูปผ่านตปนแรกมันก็เป็นนิโกเหมันอยู่ั้นปะจากตลอดเวลาเราจะเอาอะไรมาสงสในเรื่องเกิดเรื่องตายจะไปที่ไหนสอที่ไหนเรื่องพบเรื่องขานจะไปเกิดเรอะไรมันบอกไว้ด้ตัวมันเจโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่จะอไปตังวลอะไหลนนี้เรียนทาปฏิบัติทรให้มันเห็นนั่นนั่นถึงโกงกับหลักที่ว่าสวขาโตกตาทมทำนั้นกาบทีชอบแล้วชอบแล้วให้มันเห็นชอบตามหลักธรรมมหาทีอ่างพูยาติที่นัน นอกจากกราบอย่างลามเท่านั้น พ, พ, พระพุทธเจ้าปริดิพฐานกี่องค์กี่ร้านปีมันไม่สำคัญนั่นมันเป็นเชิงเวลาธรรมชาติความจริงนั้นมีการมีสถานที่ที่ไหนอืมเป็นหลักธรรมชาติหรือถ้าพูดเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันตลอดเวลารูนี้แนวก็เหมือนอันนั้นอันนั้นเหมือนอันนี้เราจะเอาการสถานที่เขามาจับได้อย่งไรเพราะนั่นเป็นสมมุติอันนี้เป็นความจริงมันต่างกันอืม น, นั้นเป็นความจําจํามาองค์นั้นนิพานอยู่นั้นนั่น เนั้นปีทนี้ปีเป็นความจาอันนี้เป็นความจริงเนรู้อยู่นี่เห็นนีูนี่ข้านพุทธเจ้ามัไม่มีข้าองค์นี้ที่แต่ลบล้างพุทธเจ้าทั้งหลายมนมีแตลบล้างนี้ที่ทำา้ยอมรับอันนี้ถ้ยอมรับพุทธเจ้าทั้งหลายน่มันเดียวกันข้าม่กล้าพูดว่าทำมาทุกบททุกบารที่เราเรียนเราน่ยนั้นน่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าเสแดงบอกอีกตลอดเวลานะเป็นปฏิบัติทีสดล้อนอย่างนั้น่ะเช่นอย่างสจะทําตามท้งสี่ เหมือนพระ อ, องค์ประกาศทังวันอยู่ในขณะนั้นที่ออกจากเสียงเรานั้นแหะคือธรรมวิญญาณความจริงอยู่นั้นอยู่ในนั้นอ่ะอืมเป็นแต่คำนั้นแท้ๆไม่เป็นไปอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพระ อ, องค์ประทาโพรวา่าด้วยพระโอษฐ์เองให้เราได้ยินใน้ฟังอยู่ทุกวั น, นเสียงธรรมคือเสียงความจริงไม่มีความปรองอยูนี้ตลอดเช่นเดียวกับกิเลสจริงมันตลอดมันไม่ขึ้นกับการสถานที่หอะไี่เลสมันจริงอยู่ที่หัวใจมีที่หัวใจ ทำเมื่อได้จริงเต็มส่วนส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยิ่เด่นมันยเป็นผ่ายสมมุติมันยังมีความแปรไปได้ถึงมันจะมีอยู่ในหัวใจตลอดมาก็ตามมันก็มีสภาพที่จะแปรไปได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสมมติเพราะฉะนั้นจริงต้องทอํายิ่งเด่นไปจริงสัญญาลงไปจากใจได้ด้วยอำนาจแห่งทำซึ่งเป็นสมมุติแก้กับเมือ่อพามยงเด่นแต่แล้วจิงมันก็เป็นสมมติแล้วทีนี้เอาการสถานที่อะไรเข้าไปจับอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะ ในจังหว่าอิสร ะ, ะเป็นที่อยู่ไหก็อยู่ไปไหนก็เท่าเดิมมันเนี่ยเขาไมนไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้สิ่งนั้นสิงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอ น, นาคตสถานที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายอะไรมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันอยู่โดยหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วจะไปเอื้อมหาอะไรนี่มันมาติดจะพอตัวเองนั้นเสิ่งใดไน่สู้ปฏิวัติ อาจจะไปฟังหูหมาตาเถื่อนนั้นพูดผลนิพพานหมดเ็หมดสมัยคนตาฝ้าตาฟางมือแปดไปคิดแปดด้านนี้ข่ามน้ําลายถึงอย่างนี้ครูพรที่เจ้ามันจะผู้มือแปด้านนะที่สอนทำนี่คร่เจ้าไม่ใช่ปลงหลอกลวงโลกไม่ใช่ศาสดาหลวงลวงโลกเจ้าทํามันหลอกโลกยังไงจริงยังไงก็ต้องสอน่งนั้นเลยสอนตามความจริงพ่อรู่นําหลักธรรมจริงแล้วจึงมาสอนเอาเครื่องหลอกลวงมาสอนหนึ่งไง ในอนนดีตมีแต่ความอินล้วนๆเป็นส่วนภายในพระไทยพวกเจ้าของปรงมาหลอกโลกองน่ะจิเลนแนีวมันหลอกคนผลมิาพานหมดเจ็บหมดสมัยไปแล้ ว, วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้เลยตัวมันเองไม่มสนใจกับศาสนาไม่สนใจ ก, การปฏิบัติแมันจะอ่อนลอยตัวนั้นแหละจโมฆะม น, นับผลนิพานหมดหมดกับผู้นั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติตามหลักของ น, นับผลนิพานอยูไ ม, ม น, นับผลมิพานจะ จะหมดไปไหนเอาผลิตันธ์ไม่ใช่ผลน้ำหมากล่างไม้พอจะหมดดูหมดกาลหมดสมัยถ้าเป็นเหมือนผลหมากล่างไม้มันก็หมดได้แต่เนื้อผลิตภันธ์ไม่ใช่ผลไมน้นะคือความจริงมืนยังความเทียนนะซินั่นอยู่ในที่รโล่งนั่นถ้าเราต้องการจะหาหาความเทียนโล่งจากสถานที่นั่นเราก็ถางต้นไม้ดาย้าออกซิ ขากวดออกเนาะมันจะมีการมีสมัยมาจากไหนประกอบข้างบนด้มันกนระเทียนลงก็ที่นั้นไหาการหาสถานที่ที่ไหนอีกเหยียดกินตกถูกปกลุมหอหยิมกระมือมิแต่ที่แต่ด้อย่างนี้แหละเขาเจะ๋เดืปิดบงังพอเปิดที่เดือดหมดแล้วสมรฆ่า น, นี้นจะต้องไปหามาที่ไหนไม่ต้องการหาเพราะมีอยู่แล้วเหนื่อ ย, ยกันะเนี่ว